ความเป็นอุบาสอุบาสิกาที่แบกไปพบหน้าได้ที่ไหนนะมันไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นสัตว์น ร, รลกท่านจะไปถึงรัตนะถึงสารณะกับใครใครจะไปให้ศีลครับถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดูก็เห็นอยู่เราเอาอาหารไปเราเอาของไปบูชาพระศ า, าสดาก็มาคว้ากินต่อหน้าต่อตาเราก็ยังเห็นว่าเขาวิบัติขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าที่ผู้มีคุณของเขาถวายผู้มีบุญ ก็มาแย่งกันนะแล้วเขารู้ไหมว่าจะบาปขนาดไหนหรือบางคนแค่ไปนั่งเฝ้ากุณพระคันทกุฏิของพระศาสดาก็คอยเอาอาหารไปกินวันๆเพื่อเลี้ยงท้องเลี้ยงหันไปวันๆนี่นะชีวิตมันมีแค่นี้เลยแล้วมันต่ำต้อยอย่างนี้เลยก็เป็นแค่อุบาสกจันทานอุบาสิกาจันทานเที่ยวขออมิตรมรดกไปวันๆที่พระศาสดาคายทิ้งถมทิ้งไปวันๆ ไม่ใช่มองมองให้ออกเหยียบพื้นที่ที่ภาษาสดามาอยู่นานที่สุดถ้าพระธรรมของภาษาสดาไหลเข้าสู่ความคิดไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเป็นความผิดพลาดของเราแท้ๆเลยเนะเรามาใช้อยาบทสี่ในสถานที่ภาษาสดาอยู่นานที่สุด หนึ่งเรามาใช้ยาบทนอนสองเรามาใช้ยาบทนั่งมาใช้ยาบทยืนแล้วก็มาใช้ยาบทเดินยืนเดินนั่งนอนใช่ั้ยแล้วมาใช้ยาบทเหตุการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวใช่ั้มมาใช้สถานที่ภาษาเรามาถ่ายอุจจาระปัสาวะกินดื่มเที้ยวลิ้มนุ่งผ้า พราพระก็ใส่จีวรถือบาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการนิ่งเรามาใช้อยาบทสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดอย่างเนี่ยในที่ที่พระศ า, าสดาทรงใช้แบบมีสติสัมปชัญญะพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายใช้แบบมีสติสัมปชัญญะ พรยาบุคคลทั้งหลายท่านใช้แบบสติสมัมปชัญญะท่านกลัวบาปเกิดในใจของท่านเหลือเกินแต่พวกเรามาทําบาปให้เกิดขึ้นมันผิดพลาดแล้วมันผิดพลาดแล้วเข้าใจไหมมันผิดพลาดจริงๆเลยนะถ้าเราทําได้แค่นั้นเนยะเพราะสถานที่ที่เขามามาก้าวไปถอยกลับด้วยจิตที่เป็นบุญคูเข้าเหยียดอวัยวะออกด้วยจิตที่เป็นบุญ แลตรงแลเหลียวเนี่ยเขาแล่ด้วยจิตที่เป็นบุญเขาแล่ด้วยจิตที่เป็นบุญถ้ารู้ว่ามันจะเป็นบาปเนี่ยเขาจากไม่แล่เขาประมวลจิตก่อนถ้ารู้ว่าแลไปในทิศนี้แล้วเนี่ยความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงจะเกิดขึ้นเขาก็จะประมวลความคิดให้ถูกก่อนเขาจึงต้องแลถ้าเขาจะก้าวเดินไปทิศเนี้ย เขาก็ประมวลกุศลและาำให้เกิดอย่างมากมายเลยเขาจริงก้าวเดินไม่ใช่เดินอย่างคนลุ่มหลงมัวเมาเขาจะกินอาหารเนี่ยเขาไม่ได้กินในความลุ่มหลงมัวเมาเลยสถานที่ตรงนี้เขาทำกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนะก็ลองคิดทีว่าห้าสิบล้านที่เป็นภารยานเนี่ยเขาจะไปยินดีเพื่อเพลิอนอะไรกันเขากำหนดเขาวิจัยก็พิจารณาเขาเข้าใจ ผู้ดูชนคนมืดบอดเท่านั้นแหละที่มากินแบบเพลิดเพลินมันนั่งแบบเพลิดเพลินมันนอนแบบเพลิดเพลินมาถ่ายอุจจาระแบบเพลิดเพลินเนี่ยไม่เข้าใจภาศาสดาเราแล้วมองเห็นไงว่าสถานที่เขามาเอาบุญมาเจริญบุญคนที่เขาจะทาบาปแล้วก็อย่าไปตามเขาเพราะเขาไม่ทราบตอนนี้เราทราบแล้ว เราทราบแล้วใช่ไหมว่าที่นี้มาใช้คาว่าท่ยบุคลท่านใช้เอียบที่อี่หรือว่าสัมปชัญญะในฐานะเจตเนี่ยที่เป็นไปกับบุญทั้งนั้นเลยล่ อ, ลองรอยที่เขามาเจริญบุญแต่ เ, เรามาทำบาปให้เกิดขึ้นทางกายวาจาและใจมันไม่สมควรถามตัวเองว่าสมควรไหมสมควรไหม ถ้าไม่สมควรก็เลิกสิใช่ไหมก็เลิกสิตรงนี้พระธรรมจักของพระศ า, าสดาหมุนวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบแต่มันหมุนเข้ากระแสชีวิตของคนอื่นแต่มันไม่หมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของเราเนี่ยมันพลาดไหมศีล ส, สมาธิปัญญาหมุนเลยเราหมดเลยอ่ะกลับไม่เข้าสู่กระแสชีวิตของเราเลย มันต้องให้หมุนเนี่ยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันต้องหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตเราบ้างสิได้ได้ไดกงล้อธรรมจักของพระาศาสดาให้หมุนเข้าสู่ใจเราบ้างยังไงก็ได้มาดูแล้วยังไงก็ได้มาฟังที่นี้แล้วยังไงก็ไม่ได้กิ่นไอ้แล้วยังไงก็ได้มาลิ้มรสแล้วยังไรก็ได้มาสัมผัสแล้วยังไรก็ได้มาคิดนึกทางใจแล้วก็ให้บุญมันเดินบ้าง และพยายามขับเน้นบุญให้ต่อเนื่องอย่าให้มันสุดอย่าให้มันถดถอยอย่าให้มันตกต่ำอย่าให้เป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาจันทานสุปาพุทธากุฎิบอกว่าตอนท่านมีอาชีพขอทาน น, นีเป็นคนโลกเรื้อน อยู่ซอยไหนเขาก็หลับกันไม่ได้ทั้งซอยร้องโรคเรือนเนี่ยแผลเต็มตัวหนอนเต็มตัวล้องล้องยิ่งกว่าสุนัขขี้เรือนเนี่ยล้องจิงคนลำคาญเกิดมาต้องขอเขากินไปวันวัเนี่ยโรคเรือนมันกินเท้ากุดมือกุดหมดเห็นก็ฟังธรรมอย่าพระศาสดาก็กระเสือกกระสนไปจะไปฟังธรรมเออไปขออาหารครับไม่ได้มีใจจะฟังธรรมเลย แต่พระศาสดาคอยโอ้สาวกบริษัทของเรามาสาวกของเรามาแล้วคอยสแสดงธรรมใช้น้ำมาทำฉลรมรลถบุรุษโรกเลี้ยนได้ดวงตาหินธรรมเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าท่านไม่ขัดสนท่านไม่ยากจนท่านไม่เป็นจันทานอีกแล้วอุทานออกมา เท้าส ก, กาวจะยกส ก, กาะสมบัติให้เอาไหมไม่ให้นับถือพระเจ้าไม่เอาอันนั้นเรื่องจันทานส ก, กาสมบัติเอ้พรมมาสมบัติถ้ายังเป็นบุรุษชนอยู่ก็ยังชื่อว่าจันทารฉันจันทานของโลกเน่ะของทรัพย์ไร้สาระแต่เราเนี่ยไม่ขัดสนไม่ยากจน เราไม่ใช่จันทานเราไม่ใช่คนกระจอกแล้วสมบัติที่เราได้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์สมบัติยิ่งใหญ่กว่าจักรพักพัฒสมบัติยิ่งใหญ่กว่าสักกาสมบัติมาและสมบัติและพรหมสมบัติเพราะเราไม่โจนแล้วเป็นไหมว่าคนจันทานในฐานะของภราสดาท่านหมายถึงคนขัดสนอริยทรัพย์ อย่าน้อยใจถ้าเราจะมีทรัพย์น้อยอย่าน้อยใจถ้าเราจะมีคนนับถือน้อยอย่าน้อยใจถ้าเราจะไม่มีหน้ามีตาในสังคมอันนั้นมันม่านปิดตาเรามันหลอกเราพระศาสดาไม่ได้ยกย่องเลยแต่ยกย่องคนที่มีอรเลียทรัพย์ภายในว่าเป็นบุตรของท่านที่ได้มรดกของท่านอย่างแท้จริง อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นลูกน้องเป็นบริวารไม่ใช่ความต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นยาจกวันนีพกทางโลกไม่ใช่ต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นชาวไล่ชาวนานเหมือนยมพ่อยมแม่ไม่ใช่ต่ำต้อยหรือเหมือนกันยอมที่น้องสาวที่ให้ตย า, ายอมาถวายต า, ายมาอย่าไปคิดว่าต่ำต้อย ได้เจริญกุศลเลือดแล้วที่ได้สละไตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยเลือดแล้วเราได้ให้อวัยวะเป็นทานไงเป็นอุป ป, ปาลมีไงเป็นสิ่งที่ให้ยากเพราะไม่ให้เนื้อให้เลือดมันให้อวัยวะควักดวงตาให้เนี่ยเขาให้ถ้าถามว่าเขาให้ได้จริงจรงให้อวัยวะเนี่ย ก็อย่างน้องสาวธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นผ้ายะอะไยังกล้าให้ไตเลยยังกล้าตัดไตให้พี่เดะเป็นทานกุศลได้เลยเอามาถามท่านมีชัยอ่ะถามาท่านท่านกล้าให้ไวยวะกล้าผมอยากให้จ้างยันว่างั้นเนยผมหาคนรับเอาัยวะผมอยู่เนี่ยผมอยากจะเจริญทานกุศล มันกล้าเขามีจริงๆคนที่กล้าไม่ใช่คนบ้าได้วนะเขามีปัญญาต้องถามท่านอาจารย์หมหานาธิหนะกล้าไหมเนะี่ยกล้าลองมีใครจะเอาตีให้เพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่มีสาระแต่ถ้าเราจะเอาไปทําให้มันเป็นสาระขึ้นมาเอาไปเป็นบุญเป็นกุศลเอาไปเจริญเพื่อจะเป็นปัจจัยกับการแทงตลอดสัจจะมันกล้าทางนั้นเลยโยมกล้าไม่ใช่เอามาพูดเนี่ยเพื่อโอ้ยยกย่องคนนะ ถามท่านเนี่ยท่านกล้าไหมกล้าให้ตาเป็นฐานท่านก็กล้าในวันนี้ท่านกล้าไงอะไรทําให้ท่านกล้ามันไม่ใช่ความบ้าบินหรือความไร้สาระแต่มันได้เหตุผลของพระธรรมแต่ไม่ใช่อยู่ๆมาปลุกระดมกันเห้ขา้ากล้ากล้าแบบบ้าเลือดไม่ใช่ทุกคนต้องได้ข้อมูลก่อน มันต้องมีข้อมูลต้องมีความเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ๆเบสเซตก็ระดมอา้อาวอา้าวอ้าโดยขาดข้อมูลขาดความเข้าใจขับเน้นเจตนาขับเน้นความเข้าใจขับเน้นปัญญาขัดเน้นความเพียรที่ถูกต้องที่สุดจริงๆอ่ะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันปลูกรล้าขึ้นมาขับเน้นคุณของพระศ า, ศาสดาพระรัตนตรัยเขากล้าให้ เขากล้าสละเพราะเขามองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามในพระธรรมวินัยของพระชินเจ้าอันสูงสง่งเขาจริงกล้าความกล้าตรงนั้นไม่ใช่กล้าแบบโทสะโทสะเขาไม่เรียกว่ากล้าโทสะเขาเรียกว่าขี้ขาดคนที่โกรธง่ายคนที่หงุดหงิดง่ายคนที่น้อยใจง่ายเขาเรียกคนขาดคนกลัว เขาไม่เรียกว่าคนกล้ากล้าจริงๆเป็นชื่อของศรัทธาที่เป็นไปกับกุศลเป็นชื่อของวิริยะที่เป็นไปกับกุศลวีระตัวนั้นแปลว่ากล้ากล้าที่จะเดินออกจากบาปกล้าที่จะเจริญกุศลกล้าในการที่จะรักษากุศลกล้าในการที่จะพัฒนากุศลจากเบื้องต่ำถึงเบื้องสูงสุดน่เขาเรียกว่าคนกล้า คนที่ให้ความโกรธความโลภความหลงสิงในกระแสชีวิตเขาเรียกคนขาดคนกลัวคนไม่กล้าต้องแยกให้ออกอย่าไปคิดว่าคนพูดเอะอะโวยวายเสียงดังด้วยอำนาจของปลาคาโทสะเป็นคนกล้าก็ เ, าเรียกคนขาดคนกลัวแต่คนกล้าในพระธรรมวินัยคือศรทัทธาที่ถูกต้อง วิริยะที่ถูกต้องสติสมาธิปัญญาที่เป็นไปกับพระธรรมคำสอนพัฒนาเข้าสู่ระดับภาวนาเข้าสูงระดับเจริญเขาเรียกพัฒนาขึ้นแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าอาจหารออกจากบาปอากุศลธรรมอัลามกนี่เขาเรียกคนกล้าเข้าใจหรือยังว่าคนกล้ากับคนไม่กล้ามันต่างกันอย่างนี้อย่างเราเนี่ยกล้าในการที่จะเดินตามรอยบาท ถ้าศาสดาก้าที่จะขัดเกลาตัวเองก้าที่จะประพฤติปฏิบัติก้าที่จะให้ทานก้าที่จะรักษาศีลก้าที่จะเจริญภาวนาถ้าไม่ทำเหล่านี้เป็นเขาเรียกคนขาดทำไม่เป็นเจริญไม่เป็นให้ควรไม่เป็นมันก็ผิดพลาดอยู่เรื่อยเข้าใจใช่ไหมห่วงแต่ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ที่มันเน่าเหม็นมันเน่าเปื่อยบอกว่าพิ่กี่ครั้งกี่คนเนี่ยนะ มีสาระของความงามที่นนะก็มัวหวงวิตกกังวลกันนี่แหละมันก็มานั่งห่วงกันอยู่นี่แหละมมนไม่มีอะไรเลยคิดให้ดีๆเั้นไม่มีอะไรผมบนหัวอยู่บนนี้เป็นของเราล่วงใส่อาหารก็ไม่กล้ากิบกั้นอยู่ในปากเป็นของเราล่วงใส่อาหารก็ไม่กล้ากินอาหารขึ้น เศษน้ำลายอยู่ในปากกินได้เพราะคลายออกมาแล้วไปขบกืนก็ไปยังไม่กล้าอีกเล็บอยู่ในมือเนี่ยหล่นลงไปเดเ็ดเสร็จ้วไม่กล้าเป็นของเราอุจจาปะปัสาวะอยู่ในท้องเป็นของเราหลุดออกจากกายกายไม่ใช่ของเรามันของเป็นแบบนี้ยถ้าเข้าใจเส้อเนี่ยชีวิตมันปลอดโปร่งปลอดโปร่งแะ นี่มันมาจากไม่เข้าใจไงพอไม่เข้าใจแล้วชีวิตมันก็เลยอับเฉาตีบตันแล้วมันตีบตันเอามีใครจะถามปัญหาเลยไหมไม่เดินบอกมีไหมมีใครถามปัญหาไหมไ่ เ, เดินดอ่าดรที่รับดีมีอะไรข้องใหญ่ เคยทอ้าวนรรศการคะขอโอกาสเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์บอกว่าคนที่ขาดหรือกลัวเนี่ยจะเป็นคนวอยวายอันนี้นี่เสมอไปหรือเปล่าคะเพราะว่าเหตุที่ถามเนี่ยเคยเห็นโยมคนหนึ่งเขาก็วอยวายแต่บว่าเขาศรัทธานในในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนมากะคะ่ะท่านอาจารย์ ทำว่าโวยวายโ ว, ย, วยได้โทสะเรือ่อลถามว่าโวยววยโวทําทไมโทสะจะไม่เป็นปัจจัยให้พูดเมื่อโทสะเกิดขึ้นเขาเรียกคนขาดคนกลัวกลัวเขาจักไม่ยอมรับตัวเองกลัวเขาจักไม่เชื่อฟังตัวเองมันกลัวไปหมดแหละกลัวเขาจักไม่เห็นตนเองเนะี่ะ สำคัญไล่ไปเหอะก็เกิดจากความกลัวกลัวเกิดจากความกลัวเมื่อดับความรู้สึกตรงนั้นไปความกลัวความขาดก็หายไปถามว่าให้จิตประเภทนี้มันเกิดบ่อยก็ให้มันออกแรงบ่อยเมื่อออกแรงบ่อยมันก็มีกําลังให้ความโลภมันเกิดบ่อยความโลภก็มีกําลัง ให้ความโกรธมันเกิดบ่อยความโกรธก็มีกําลังให้ทิฏฐิความเห็นผิดมันเกิดบ่อยทิฏฐิความเห็นผิดก็มีกําลังให้มานาความเย่อหยิ่งถือตัวมันเกิดบ่อยมานะก็มีกําลังก็จะไปออกแรงจิตประเภทนี้มันทําไหมมันพัฒนาผิดชีวิตมันต้องพัฒนาให้ถูกอย่างเช่นความหโอดูท้อถอยความไม่มีศรัทธาให้มันเกิดบ่อยมันก็ไม่มีกําลังแล้วอะไรคือการยกระดับกระแสชีวิต แล้วอะไรคือการพัฒนาตนเองวันวันหนึ่งก็มานั่งทําให้บาปเกิดไปวันวันวันวั น, ว น, วนก็อย่างที่ได้บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเขามายืนมาเดินมานั่งมานอนพระอริยะบุคคลทั้งหลายที่ห้าสิบล้านกว่าคนในที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยแม้ที่โรงแรมที่เรานั่งกันเนี่ยเขามายืนเดินนั่งนอนด้วยจิตที่เป็นกุศลเข้ามาก้าวไปถอยกลับ แลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกนุ่งหม่มผ้าใช้ภาชนะกินดื่มเคี้ยวลิ้มทายอุจจาระปัสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งด้วยจิตที่เป็นไปกับกุศลด้วยจิตที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแต่เรามาใช้อียบดยืนเดินนั่งนอนก้าวไปถอยกลับ ด้จิตที่ไล้ศรัทธาได้จิตที่ไม่มีกุศลเนี่ยเรามันพลาดเอง mm hmm. มาสถานที่เหล่านี้ก็ยังไม่ไม่ตื่นกุศลก็ไม่ปลูกเร้าในใจให้ตื่นขึ้นสัทีก็มัวแต่กังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระเนี่ยเขาเรียกเรามาผิดพลาดในสถานที่ที่คนเขาได้บุญได้เป็นพ่ายยา ก, กันหมดแลยถึงบอกแต่เมื่อวานนี้ว่าเราจะเป็นคนขอภัยเนะ ที่วิ่งไปวิ่งมาแบบไม่รู้จักบุญซึ่งเขาก็ได้มาชมสถานที่ชมมากกว่าเราได้อยู่นานกว่าเราได้มีโอกาสอยู่นานกว่าเราแต่เขาไม่ได้บุญเพราะเขาเที่ยววิ่งขอวันๆไปเนี้ยเราต้องการเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ต้องการมาอินเดียบ่อยๆเพื่อบอกคนอื่นว่าเรา มาเจริญบุญแต่เราไม่รู้จากบุญต้องการเป็นคนนั้นใช่ไหมถ้าไม่ต้องการก็พัฒนาวิธีคิดเสียว่ามันไม่ใช่เราพลาดเองถ้าเรานอนแล้วให้บาปเกิดมายืนแล้วให้บาปเกิดมานั่งแล้วให้บาปเกิดมาเดินแล้วให้บาปเกิดมากินแล้วให้บาปเกิดมาแลตรงแลเหลียวแล้วให้บาปเกิดมาคู่เข้าเหยียดออกแล้วให้บาปเกิดมากินดื่มเคี้ยวริมให้บาปเกิด มันนุ่งห่มผ้าให้บาปเกิดมาถ่ายอุจจระปัสาวะให้บาปเกิดมันนั่งยืนเดินนอนพูดนิ่งให้บาปมันเกิดมันจะไปต่างอะไรกับคนที่เขาไม่เข้าใจข้อมูลเรามันไม่ใช่สถานที่เรามาเจริญบาปนะแต่เรามาเจริญทานศีลภาวนาเจริญศีลสมาธิปัญญามาเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามาเจริญสมาธิติสมาสัปะมาเดินมชิมาปฏิปทา มาเดินสติประทานสมาปทานใช่ไหมตั้งใจมาทำอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาเออจะนอนให้เต็มที่มาเออจะทำบากให้เต็มที่มาเดี๋จะชอปปิ้งให้เต็มที่มันไม่ใช่บ้านเรามีของขายเยอะจะซื้ออะไรก็ได้มาเออคนเราจะเขาจะได้รู้จักว่าเรามาสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งมาเพื่อจะไปคุยอวดเขาว่าเออกเมืองแขกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น มันไม่ใช่มาเพื่อจะมาบอกว่าโอ้โหลำบากเหลือเกินลบากเหลือเกินอย่าไปอย่าไปมันไม่ใช่อีกเห็นไหมแล้วอ่านบทของพระธรรมไม่ออกนางยักษิินีสอนลูกน้อยบอกอาะดูกลูกลักอย่าเอ็ดไปพระเถระกำลังกล่าวบทเห่งะธรรมอยู่เพราะโทษที่เราไม่เข้าใจบทแหงะธรรมนี่แหละเราจึงมาอยู่ในเพศของปีศาจ อะไรคือปีศาจราคะในใจน่ะคือปีศาจโทสะในใจน่ะคือปีศาจโมหะในใจน่ะคือปีศาจมานะทิฏฐิวิจิชาหิริกาโนตปะอุทจัตความพุ่งสร้างความลำคาญใจความโหดหู่ท้อถอยความลังเลสงสยัยความไม่ปรงใจเชื่อในภาษาสดาอย่างมั่นคงอันนั้นคือเพศปีศาจในเรื่องของนามธรรมเนี่ยพราะเราไม่เข้าใจบทแห่งพระธรรมนี่แหละเราจึงมาอยู่ในเพศของปีศาจ เข้าใจอย่างเป็นเพศที่น่ากลัวเพศปีศาจนี่เป็นเพศที่น่ากลัวบางคราวเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นอีกคนคนหนึ่งได้ไม่โทศรศัพท์เนี่ยกลายเป็นคนดูร้ายน่ากลัวทั้งๆ้งที่เราไม่ชอบเลยอะ่ะแล้วกลับไปอยู่ในเพศของปีศาจได้บางคราวไปอยู่ในเพศของความกําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงเห็นผิดลังเลสงสยัย เชี่ยนินทาว่าร้ายคนเนี่ยเรามาอยู่ในเพศพีศดารได้เฉยเลยเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจบทเพลงพระธรรมเราเลยมาอยู่มาเพศประหลาดประหลาดบัณฑิตเขามองออกไงคนผ่านด้วยกันก็มองไม่ออกว่าเราเนี่ยอยู่ในเพศเขาพีศดารแต่บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าโอ้นี่เพศพิศดารพอเริ่มจะเข้าใจอย่าง เราต้องการอยู่ในเพศแบบนั้นไหมไม่ต้องการก็เจริญให้ถูกใข้ขวัดไ้ถูก <c oughs> ถึงบอกว่าใครเจ็บยากจนใครจะเซีละแก่งมใครจะผิวพันซามใครจะต่ำต้อยใครจะไม่มีฐานะอันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติทางบริบทของสังคมนั้นๆ พระศาสดาไม่เคยรังเกียิเราว่าเราเกิดมาต่ำต้อยเพราะเราผิดพลาดในอดีตอักุรศรกรรมมันก็ให้ผลเรารู้เราก็ทำให้ถูกในปัจจุบันอนาคตเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได้จเจริญทานศีลภาวนาถูกไงใช่ไหมสรุปก็คือจเจริญบุญกี่เดียวว่าถูกสิบหรือจเจริญบารมีสิบเนี่ยในยะเดียวกันนั่นแหละโยมเราจะเป็น สาวกบารมีญาณก็ได้เห็นไหมจะเป็นประเภทปกติสาวกมหาสาวกอสีติมหาสาวกเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายก็ได้เบื้องขวาก็ได้เป็นพุทธอุปถาคก็ได้จะเป็นพระประเจรพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอรหันตสมาสั ม, มพุทธเจ้าก็ได้ถ้ากล้าและทําได้จริงถ้าไม่กล้าในการเจริญกุศลมันก็อยู่อย่างเงี้ยวนวนวนวนัว น, วนก็อยู่เงี้ย วันก็ยังพูดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนเกิดเอาพูดจาไปอีกเรื่องหนึง่งต้องอ่านอัดท้ายออกเหมือนอย่างน้องสาวถ้มาเนี่ยถ้าอยู่กับโยมพ่อโยมแม่ท่านก็พูดท่านไปอย่างใช่ไหมอยากเครียดอยากําหนัดในขณะที่ท่านพูดดีอยากขาดเครืองในขณะที่ท่านหลงหลงเืมๆลื ม, ลม อย่าลุ่มหลงมัวเมาในขณะที่ท่านปกตินั้นให้รู้ว่านี่ไงเขาบอกว่าลูกนี่ไงโทษของการที่พ่อและแม่ฟังบทของพระธรรมไม่ออกโทษของพ่อและแม่ละ ร, ราคาโทสะโมหะไม่ได้ แม่จึงเป็นแบบนี้พ่อจึงเป็นแบบนี้แต่เองอย่าประมาททั้งหมดเนี่ยถ้ายังไม่สามารถเข้าใจบทเหลงพระธรรมอย่างลึกซึ้งปฏิบัติตามถ่ายถอนความเห็นผิดได้เองก็ไม่พ้นจากภาวะเหมือนแม่เหมือนพ่อพ่อแม่เขาสอนเรานั่นคือตัวเราเรายัางไม่พ้น ถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียเราจะได้ปฏิบัติต่อท่านได้ไม่ขัดเคืองไม่กำหนัดไม่รุ่มหลงปฏิบัติด้วยความนอบน้อมว่าผู้มีพระคุณพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อท่านให้ถูกเราจะเริ่นบุญของเราท่านจะหลงจะลืมจะพูดจาเลอะ เ, เ, เ, เลือนอยังไงอันนั้นมันคือถ้าเราละราคาโทสะโมหะ ในใจไม่ได้เดี๋ยวเราก็อยู่ในสภาพนั้นอารอัตถะให้ออกเห็นคนเจ็บเห็นคนขอทานเขาบอกฐานะเราเขาบอกเราแต่ก่อนเขายิ่งใหญ่เขาเคยเป็นจักรพรรดิมาแล้วความผิดพาดเขาถึงเป็นแบบนี้เขามาบอกว่านั่นเนี่ยโทษของการไม่ให้โทษของความตนนีโทษของการไม่รักษาศีล โทษของการไม่เจริญภาวนาเขาจึงมาเกิดมาเป็นคนกระจอกงอกง่อยแต่ท่านก็อย่าประมาทเพราะท่านก็มีเนี่ยท่านก็เคยทํากรรมที่จะเป็นเหมือนเรามาเยอะยังไม่ยอมบุญชัยก็เคยทําผิดทําพลาดมาเยอะกรรมที่ท่านทําแล้วเป็นสมบัติของท่านเนะผมไม่ไปรับกับท่านอีกแล้วเนะเขาบอกกับยมบุญชัยอย่างนั้นฉะนั้นจะต้องพัฒนาตนเองให้หนีให้พ้นเนะเนี่ยกรรมเหล่านั้นที่ทํามาทั้งหมดเนะี่ยมันเป็นสมบัติถาวรของ กระแสชีวิตของโยมคุณใช้เรียบร้อยไปหมดแล้วแต่มันจะให้ผลให้โอกาสมันจะมาผลิตวิบากเมื่อไหร่เท่านั้นฉะนั้นตรงนี้ต้องสะดุ้งสะเทือนต่อภัยที่มันตามติดมาข้างหลังเหมือนไฟลนมาข้างหลังและต้องสะดุ้งสะเทือนต่อภัยข้างหน้าที่มันมีความมืดบอดมันมองไม่ออกว่าจะเดินทางไหนมันต้องรูดสะดุ้งสะเทือนต่อภัยที่ลุมล้อมมาข้างหลังและภัยข้างหน้าแล้วมองไม่เห็นทางเราเดินไม่ถูกกันเนี่ย เข้าใจไหมโยมแม่ท่านโยงเราต้องเห็นใจอย่าไปกังวลเรื่องอื่นอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ําใจแต่ก่อนเรายิ่งใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทแต่เดี๋ยวที่มันหายแวบไปกระตาเนี่ยอยากคิดนั่นมันเกิดจากผลของการกระทําในอดีตแต่ก่อนเคยยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่มีใครยอมรับเราเลยเนี่ยเราพลาดถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ย เพราะอันนั้นมันเป็นของหลวงตาทรัพย์มันเป็นของหลวงตาคนขาดคนเขาคนไม่ฉลาดเท่านั้นแหละบ้ากอดอยู่กับทรัพย์เหล่านั้นแล้วไม่มีสาระหรอกโยมแม่ไม่มีสาระของความงามความเที่ยงเลยมันไม่ได้ให้ให้ความสุขที่แท้จริงหรอกมันให้มันให้ทิฐิมันให้มันนะฮะความเย่อหยิ่งถือตัวมันให้ความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินมันให้ความ ขัดเรืองเมื่อไม่เป็นไปอย่างปรารถนาจะทำให้ใหญ่กว่าเดิมก็ได้แต่อย่าระวังเนะถ้าวางใจไม่เป็นก็กลายเป็นคนรุ่มหลงอีกจะมีทรัพย์สักยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคนฉลาดคชิดจเจริญกุศลเป็นแต่มันเอามาแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ย่ได้ได้มาแล้วเนปัญหาได้มาแล้วตั้งท่าทีกับมันเป็นไหม เอามาต่อบุญเป็นไหมเอามาเจริญกุศลเป็นไหมต่างหาไม่ใช่ได้มาแล้วได้บาปทุกวนันทุกวันมันไม่รู้จะได้มาทําไมหมดก็ดีบาปจะได้ไม่ค่อยเกิดเอามาบอกยอมพ่อยมแม่เนี่ยบอกอย่าไปกังวลทรัพย์ภายนอกอย่า ก, กังวลจะยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้เจริญให้ถูกเถิดให้ทานไม่เป็นรักษาศีลให้เป็ น, น, เ, ปนเจริญภาวนาให้เป็นเป็นโลกียทรัพย์เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอก กษริย์สดาไม่ให้ระหวังตรงนี้เลยแต่เอาตรงนี้เป็นฐานเพื่อบรรลุโลกรุตระถับเข้าถึงโลกุตระรัพย์ชีวิตคิดเป็นแล้วมันปลอดโปร่งถ้าคิดไม่เป็นแล้วมันตีบตันมันมืดมันอับถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยมันตีบตันมันมันอึดอัดแต่ถ้าคิดถูกคิดเป็นแล้วเนี่ยมันโล่งมันเบามันเป็นอิสระแล้วมันก็เจริญกุศลถูกแล้วจะได้รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํา บาปไม่ควรทําฆ่าสัตว์เนี่ไม่ควรทําลักทรัพย์เนี่ไม่ควรทําประพฤติผิดในกรรมนี่ไม่ควรทําพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอริญไม่ควรทําโลภก็ไม่ควรทําโกรธก็ไม่ควรทําหลงก็ไม่ควรทําคําว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรเนี่ยอกุศลกรรมปวัติสิบไม่ควรมิจฉาทิฏฐิไม่ควรมิจฉาสังกปรวาจาเป็นตัวเหล่านี้ไม่ควรบาปอกุศลธรรมละมกอย่าทํามันเบียดเบียนตัวเองมันเอาขวานฟันหัวตัวเองในอนาคต เราก็เห็นอยู่่คนขาขาดแขนขาดคนพี่คนพิการเนี่ยนั่นแนหะเขาจัดการตัวเองในอดีตเขาทาตัวเองในอดีตในอนาคตก็ เ, เจ็บปวดเราเหมือนกันถ้าทำผิดพลาดในปัจจุบันแล้วก็ไปเจ็บปวดในอนาคตทําทําไมถามตัวเองที่ทําทําไมโกรธทําไมโลภทําไมหลงทําไมหลงไปเพื่อจะเบียดเบียนตัวเองเพื่อจะลังเกียจตัวเองนักเลยใช่ไหมลังเกียจปัจจุบันยังไม่พอยังไปลังเกียจตามไปทุบไปตีตัวเองในอนาคตอีก อย่าไปทำตัวเหมือนไก่อยู่ในสุ่มที่เขากำลังจะเอาไปฆ่าแล้วมานั่งจิกกันไม่รู้ว่ามรณะภัยจะอยู่ข้างหน้าจิกตีกันอย่ยในกรงเน่ะทั้งๆที่เขาจะลากไปฆ่ายังมาจิกมาตีกันมาเขามาเลาอยู่เนี้ยอย่าทำตัวเป็นไก่เพราะเขาจะเชื่อดอยู่แล้วเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเชื่อดแล้วในอนาคตเนี่ยอย่าทำตัวเป็นไก่ในสุม่ม อย่าทําตัวเป็นไก่ในกงเข้าใจไหมมันนั่งจิกมันนั่งตีมันนั่งเขามันนั่งเราคนนั้นรักษาศีลคนนี้ไม่มีศีลคนนั้นทุ่ศีลคนนั้นรักษาศีลถูกคนนี้รักษาศีลไม่ถูกอย่าทําตัวเป็นไก่อยู่ในกงที่เขาจะเอาไปเชื่อดอยู่แล้วเรามันนักโทษประหารจริงไหมโยมทุกคนเขาจะฆ่าอยู่แล้ว เขาจะฆ่าอยู่แล้วในอนาคตเนี่ยเขาจัดการวิธีการฆ่ารอเราหมดแล้วจะฆ่าแบบไหนจะตายแบบไหนเนี่ยเขาเข า, เขาบงการได้เป็นเสร็จแล้วแต่เราไม่รู้เพราะเรามันบอดไม่มองไม่เห็นอนาคตเรามันไก่เรามันนักโทษพระศาสด า, า, ารู้กรุณาเราบอกว่าอยากพ้นจากความเป็นนักโทษไหมอยากพ้นจากความเป็นไก่ในสุ่มไหม อยากพ้นจากคุกอยากพ้นจากสังสารวัฏไหมเอาทรัพย์ของเราไปเอาทรัพย์ของพ่อไปเนี่ยทางออกมันมีอยู่อ่านแผนที่อ่านลายแทงของพ่อให้ออกให้ถูกนะแล้วเดินออกท่องทางนี้เธอจะไม่ถูกฆ่าเธอจะไม่ถูกประหารเธอจะไม่เหมือนไก่ในสุม่มอ่านให้ถูกฟังให้เข้าใจนะแล้วเดินออกท่องทางที่ถูกเถอะและจะได้ไม่เจ็บปวดตอนนี้เราเห็นลายแทงของพ่อหรือยัง พ่อบอกลายแทงไว้ว่าให้เดินออกทางนี้ทางนั้นมันมมันมีภัยแล้วถูกโจรล้อมเอาไว้แต่ทางหนีมันมีอยู่แล้วถูกไฟล้อมไว้แล้วทางหนีมีอยู่พ่อบอกเส้นทางไว้แล้วเดินมาอย่าเดินไปทางมันมันจะเสียหายสิกายทุจริญวจีทุจริญมโนทุจริญอย่าเดินไปมันมันไม่ปลอดภัยเดินมาในสุจริตสามนี้พ่อบอกไว้พระศ า, าสดาบอกไว้ มาที่พ่อประทับตั้งสิบเก้าทั้งยี่สิบห้าพรรษายี่ห้าปีเนี่ยมามังงมอะไรกันก็ไม่รู้อะไม่เห็นลายแทงของพ่อบอกช่องทางให้ลูกปลอดภัยไว้มันน่าช้าใจไปเนี่ยเกิดมาเนี่ยมามัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะวิตกกังวลเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อ่านลายแทงของพ่อไม่เจอพ่อบอกตรงนี้ลูกเดินทางนี้จะปลอดภยัยอย่าไปทางนั้น ก็กลายเป็นลูกดือ้อลูกแพ่งอยู่นั่นแหละไม่เชื่อพ่อพอไม่เข้าใจพุทธประสงค์ของพ่อจบเลยชีวิตนะ่ะแล้วก็ไปเจ็บปวดจนได้ก็เห็นเห็นอยู่ยผลนี่เราเห็นกันเยอะแยะนี่เพราะคนไม่เชื่อพ่อแน่ดีเนี่ยนี่ยมันนั่งๆกันอยู่เนี่ยค น, คนไม่เชื่ออย่าไปว่าคนอื่นนะที่ไม่เชื่อจะขึ้นเราคนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอ ที่มรรคมาสืบเนี่ยมาเดินตามรอยบาทพ่อเนี่ยเดินถูกจริงรึเปล่าถ้าถูกจริงไม่เป็นอย่างนี้ต้องพัฒนาได้เร็วกว่านี้จริงไม่จริงอย่าแวะอย่าแวะข้างทางบ่อยอะไรที่เป็นลายแทงพ่อบอกเดินตามตรงไปเถอะแล้วจะพบทางออกจะพ้นพ้อง ทางปลอดภัยอยพบทางเกษมแล้วจะไม่ไปติดบ่วงจะไม่ติดบ่วงของสีจะไม่ไปติดบ่วงของเสียงไม่ติดบ่วงของกลิ่นไม่ติดบ่วงของรสไม่ติดบ่วงของโภภพธพภะเย็นร้อนไม่ติดบ่วงของธรรมารมณ์ที่ไร้สาระถ้าเดินไปทางนั้นเน่ะพ่อบอกว่าอย่าเดินไปทางนั้นมันจะไปติดเดินมาทางนี้เดินมาทางมัชฌิมานี้ เดินมาเดินมาตามศีล ส, ส, ส, สมาธิปัญญาเดินตามศรัทธาที่มั่นคงวิริยะสติสมาธิที่ปัญญาเนี่ยเดินมาทางเนี้ยแล้วจะรอดจากบ่วงจะปลอดภัยถ้าเดินไปทางนั้นเขาจะฆ่าเขาจะฆ่าลูกถ้าทุศีลเนี่ยเขาจะเอาลูกไปฆ่าไปทรมานในใบภูมิสี菩萨ตาบอกอย่างเงี้ยได้่ยอัฏฐะบอกแบบนี้โยบเนี่ยถ้าเดินถ้าให้โทษาเป็นเจ้าเรือหนึน่งจะเป็นสัตว์นรกไหนเงี้ยนย ให้ราคาเป็นเจ้าเรือนจะไปเกิดเป็นพวกเนี่ยพวกสะเปตเป็นตัวเน่ยโมหะเป็นเจ้าเลยจะเป็นพวกสัตว์ดิบฉาเนอะถ้าทำผิดพลาดทั้งหลายจะกลายเป็นคนกระจอกงอกงอก่งอยคนบ้าคนบอดมันจะไปถูกทุบถูกตีอย่าไปทางนั้นอย่าไปไม่ปลอดภัยมาทางนี้มาทางนี้ก็ปูทางไว้บอกทางไว้บอกว่าทานกุศลศีลเทวน า, านกุศลบอกให้เดินให้ถูกตอนนี้เชื่อหรือยัง ว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆคือพระาศาสดาคือพระธรรมกับพระาศาสดาอริยสงสาวกของพระาศาสดาชีวิตจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปนั่งทรมารเป้าพระาศาสดาให้ถูกเดี๋ยวไปทดลองใหม่ลองไปเยียพื้นแผ่นดิน ที่พ่อประทับลองดูใจจะสามารถเห็นคำสอนนะบรมศาสดาเราได้ไหมตรงนี้อาจจะมานอกนิดนึงแต่ก็ผ้าละหันตาเจ้าก็เหยียบอยู่แล้วอาจจะไม่สะเทือนใจกลับไปเฝ้าที่พระเชตวันอีกครั้งก็ทำอินทรีย์ให้เกิดขึ้นมีใครจะถามอะไรไั้มมีไม่มี ถ้ามีก็เชิญมีไหมไม่มีแล้วเนะี่ยแปลว่าหมดความสงสัยของวัตถุภายนอกที่จริงบางคนมองว่ามีค่าสำหรับบางคนบางคนก็มองว่าไม่มีค่าสำหรับบางคนใช่ไหม วัตถุแต่ละชิ้นที่เป็นไปในภยัยนอกทั้งหลายบางคนแล้วก็เห็นมีค่าเนี่ยสมมุติอย่างนี้หนึ่งถ้ามาไอออกมาเจ็บคออากมาจะเห็นว่ามีค่าที่สุดสําหรับอาตมาใช่ไหมแต่บางคนเห็นว่าไม่มีค่าออกมาจะรักมากกลัวมากสิ่งนี้จะหายเนี่ยกลัวมาก แตถามว่าถ้ากล้าสลัถ้ากล้าถวายพระพุทธเจ้าสักครั้งเราจะรู้จากว่าทานกุศลที่ถูกต้องเป็นอย่างไงคําว่าปียะทานนั้นต้องฝึกเรามาดูในสรีละเราวดิทําไมพระศ า, าสดากล้าให้ผมเป็นทานให้ขนเป็นทานให้ผมเป็นพุทธบูชาให้ขนเป็นพุทธบูชาเป็นต้นทน่้น ให้เล็บให้ฟันให้หนังให้เนื้อให้เอ็นให้กระดูกให้เยื่อในกระดูกให้ไตให้หัวใจให้ตับให้ปอดให้ไส้ใหญ่ไส้น้อยเพราะท่านมองเห็นว่าเป็นฐานแก่การจัดเจริญทานศีลบรมนาคท่านท่านยังกล้ามองเห็นไหมนั้นคนที่สามารถให้ทั้งภาญญาทานภายนอกและอัจฉริยทานท่านเหล่านั้นจึงน่ายกย่อง จิตใจว่าเขาเข้าใจปจระถามแล้วจึงกล้าเยอะๆคนบางคนกล้าสละภายนอกได้แล้วก็สละภายในบางคนกล้าให้เลือดเป็นทานจป็นเศษใช่หมเพราะเห็นว่าเลือดจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกก็กล้าให้บางคนก็พระศาสดากล้าให้ตา ก้าให้หูก้าให้จบูกกล้าให้อวัยวะเป็นทานนะประมาณนี้ได้ ไ, ดไหมท่านพัฒนาทั้งทานภายนอกและทานภายในท่านแข็งแรงนั้นเน่เพราะต้องการจะช่วยพวกเรานี่แหละจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้สัมผัสพระธรรมคา ส, สอนของพระาศาสดาเราคิด สังเกตว่าเราอยากจะบูชาคุณของพระผู้มีพระเจ้าสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าปรารถนาคือด้านกระแสของนามธรรมที่เป็นไปกับกุศลถวายเป็นพุทธบูชานะทั้งหมดทั้งที่พูดไปเนี่ยอามาไม่ใช่ให้พวกเราทั้งหลายให้ทานกันแบบคนโงค่คนเหลงหรือคนไม่รู้เรื่องหรือคนไม่เข้าใจแต่ต้องการให้ทุกคนเนี่ ย, ยพัฒนาปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นถ้าเราจเจริญกุศลได้จริงไหมถ้าเราจะไม่สละอะไรเลยสามารถทำกุศลได้จริงหรือไม่ถ้ามันจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องสละอะไรแต่โดยมากมันจริงอย่างที่คิดถึงเพราะในขณะที่ใจเรายังรักยังหวงยังยึดโยงใดๆอยู่และยังไม่เคยกล้าสละให้เป็นเป้าหมายจริงๆเรายังไม่เคยสามารถทำเป็นโรงงานกุศลได้จริงๆเลย ถามว่าถ้าคันในกุดีของกษัตริย์เราไปสักการะไปบูชาแล้วเราได้อะไรขึ้นไปเหยียบบนนั้นแล้วบุญเกิดบาปเกิดอันไหนมากนะ้อยไปหลงไหลได้ปลื้มก็คืออิดก็คือดินก็คือหิ้กก็คือดินน้ำไปลมแต่พอบอกเป็นถ้าคันในกุฎีของกาษัตริย์ทำไมสาคัญขึ้นมา เพราะท่านมปประทับเพราะเป็นที่ประธับของผู้มีบุญที่ตรงนั้นท่านนนเดินรอบบูชาพระศ า, าสดาวนันละสอบเก้ารลบท่านได้ดูุวักุยันดูว่าพระศ า, าสดาจะทำดูดูปัดกวาดถือคอยประครบประหงมคอยดูแล เรายังไม่ไปเดินยังไม่ถึงสิบเก้ารอบกันเลยนะเดินนิดเดียวร้อนท่านไปบูชาพระาศาสดาสรีระเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ก็ตายใช่ไหมเราจะไปบูชาพระาศาสดาของเร า, านก็ไปบูชาเอาขันธภาระที่มันไม่มีสาระไปบูชา เ อ, เอาไปก้มเอาไปกราบเอาไปดูแลเอาไปปัดกวาดเช็ดถูอุปถาภาษาสดาเราเห็นภาษาสดาในฐานะเห็นพระธรรมของเราไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อใครว่าเรางงงายเขาไม่เข้าใจอย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธเขาเพราะเรารู้พระธรรมเรารู้บทของพระธรรมเราเห็นคุณเรารู้ว่าใครเป็นผู้มีคุณสูงสุด เราเห็นคุณเราเราเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญเรารู้ในสังสารวัฏที่ผ่านมาคนที่ให้บุญเราคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆก่อนเราเห็นคุณของบุญเราเห็นคุณของพระศ า, าสดาเรารู้ว่าใครเป็นคือผู้มีคุณใครทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์พระศ า, าสดาเนะไม่มีใครสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมได้ แต่เรามานับถือผิดกันต่างหากนะเพราะเราวิปริตมนสิการเองนะท่านเหล่านี้ภะษาสดาผูกไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านหมดแล้วเคยฟังทำภาษาสดาในอดีตกันมาทุกคนแต่เขาวิปริตเขาผิดพลาดนั้นเราต้องรู้ว่าใครมีคุณเราต้องรู้จักกะตันยูรู้คุณของผู้มีคุณ รู้คุณของบุญพระศาสดามีคุณพระศาสดาเป็นผู้มีคุณตอบแทนท่านหรือยังถ้ายังไม่ตอบกลับไปไปตอบแทนท่านเสียคิดให้ออกที่ได้ตาหูจมกูกเล่นกายใจเนี่ยเพราะเราเคยได้กลิ่นไอของพระธรรมของพระศาสดาในอดีตอย่างยาวไกลในสังสารวัฏ อ่านบทของพระธรรมไม่ออกเราจะไม่รู้หรอกผู้มีคุณคือพระพุทธเจ้าสูงสุดเหนือเสียนก้าวและตอบแทนบุญตอบแทนคุณของท่านด้วยการกระทาบาปมันไม่สมควรแก่เราเลยให้ตอบแทนด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเปก้มศรีรษะที่เราถือเราหวงที่สุดเนี่ยซบใต้เบื้องบาทท่าน ข อ, อขมาท่านว่าเราไม่รู้บทของพระธรรมมานานแล้วเพราะความมืดบอดเพราะความไม่คบบัณฑิตเพราะความไม่ฟังธรรมเพราะขาดโยนิโสมนสิการนี่แหละเราจรึงพลาด ท, ทั้งทั้งที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์บุญเก่าก็ดีพอสมควรเกิดในถิ่นของพระศ า, าสดาแ ท, ท้แต่เราไม่รู้ว่าใครมีคุณเป็นมัวบูชาใครอยู่ก็ไม่รู้ บางทีก็ไปนั่งไหว้ต้นไม้ไหว้ตอไหว้หินไหวอิดไหวปูนไหวเจ้าไหวอะไรกันเยอะแยะไหวทำไมผู้มีคุณทำไมไม่ไหวผู้มีพระคุณสูงสุดทำไมไม่ทำหรือว่าจะมีเวลาไหวพระพุทธเจ้านานกันนักหนาหรือไงมันไม่ได้มีเวลาอะไรมากมันหมดเวลาตั้งนานแล้วเนี่ย โอกาสที่ลมหายใจยังเหลือก็ยังไหวไม่ถูกอีกขออะไรพระพุทธเจ้าเราจะขออะไรท่านเราไปปฏิ ญ, ญาณต่อท่านบอกขอให้พ้นทุกข์พระเจ้าบอกอย่าร้องขอเฉยๆทำด้วยกอนี่ไงทางพ้นทุกข์ไงตถาคตก็บอกเธอแล้วไงไม่ไม่เดินมันนั่งขอให้ขอจนปากฉีกถึงหูก็ขอไปขออย่างเดียวแล้วไม่เดินมันได้ไหม ไม่ได้พระศาสดาสอนอธิษฐานแล้วต้องทำไม่ใช่อธิษฐานร้องขอรอผลบันดาลเมื่อขอแล้วนี่ไงทางนี้เดินไปแล้วเธอจะปลอดภัยอย่าเดินทางนี้อย่าเดินไปหากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะถอนออกใสความเห็นผิดนะชากออกเยมันทำให้เธอเจ็บปวดถ้าไม่กระชากออกก็เจ็บปวด เธอไม่กล้าบูชาพระเจ้าจริงๆล็อกบูชาไม่ถูกหรอกทำไม่ถูกแล้วจะได้เฝ้า า, าสดาแล้วจะได้เป็นอิสระจากโลภโกรธหลงดีไหมสมควรจะเวลาอย่อางถาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธพัพต า, าอิธพัะาวตา สวัสดุทตะธรรมาสุปฏิปันโนทตะวะโตสาวะภาษาจางสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณรงมีส่วนหนึ่งบุญที่พระเจ้าได้ทำเ ห, หนือนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ให้มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมก็คือพร้มิพานความปาเถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธิดีบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมจากการมาเจริญกุศลในแดนพุทธภูมิตลอดถึงบุญกุศลที่ได้ทาในอดภาพก่อน จงมาเป็นปัจจัยนะที่เราท่านทั้งหลายมาถวายเป็นพุทธบูชาธ ร, รมบูชาสังฆบูชาจงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายพัฒนาทานศีลภาวนาเสื้อศีลสมาธิปัญญาดําเนินไปในทางที่ถูกที่ควรและเป็นปัจจัยในการที่จะออกจากราคาโทสะโ ม, มหะและในที่สุดก็ขอให้กระแสชีวิตของเรานะั้นจกเก้ายวถึงความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ เข้าถึงพระนิพพานตามรอยบากพระศาสดาด้วยการดึท่านทุประการเธอ